อาศัยการพูดเป็นสื่อเพื่อที่จะได้ศึกษาปฏิบัติการศึกษาปฏิบัตินี่ตบมณิเทศก็คือเรื่องของตัวเราไงละพกิจภพกรณ์เรื่องต้น เรื่องของตัวเราไม่เกี่ยวกับดอกไม้โถกเทียนไม่เกี่ยวกับคำพูดคำจาเป็นการกระทำเอากายทำเอาใจทำขยันทำขยันสร้างความรู้เวลาอะไรมันหลงอย่าให้มันหลงฟรีๆให้รู้เท่ารู้ทันความหลง มันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจน่ยพยายามรู้เท่ารู้ทันให้รู้สึกตัวเอาความรู้สึกไปไปใส่ไปใส่กับความหลงความสุขความทุกข์ความห้เงเงาหานอนความรู้สึกตัวนี้มันกบโอสด ย่อมจะรักษาโรคอันเกิดขึ้นกับกายกับใจได้ในใจรักษาโรคชื่อโรคโรคของโูคโรคของงามอาจะไม่เหมือนโรคของตามที่ทางโรงพยาบาลรักษาเช่นโรคโรคงามโรคโรคของโูค ความร้อนความหนาวความโปวดความเมื่อยความเหิวตลอทั้งควาสุขความทุกข์โลกของนามคือความหลงความโกรธความโลภความรักความชังความสุขความทุกข์เป็นโลกของนามแต่ว่าสติตัวนี้หวนกับย่าหวนก็โอสถเอาไปใส่ลงไปใส่ยามัน หมอใส่ยาคนป่วยตัวตชนนี่คือคนป่วยคนป่วยไข้เหลี้ยวยารักษาคือสติตนะเอาไปใส่เอาไปใส่าใสยายาเอาอันอื่นใส่เรื่องความสุขเอาความสุขไปใส่ความทุกข์เดี๋ยวเอาความทุกข์ไปใส่ ความหลงก็อย่าเอาความหลงไปใส่เอาความรู้สึกตัวไปใส่ใส่บ่อยๆใส่บ่อยอาจจะหายได้ความหลงอาจจะทำให้ไม่หลงความผิดอาจจะทำให้ไม่ผิดเราจึงพยายามให้มีย่าให้มีไปจำเพื่อที่จะทันทีทันควทันได้ ต้องไว้ก่อนมาก่อนสติความรู้สึกความระลึกได้เนี่ยมาก่อนไม่ต้องเสียเวลาแต่สติไม่มาก่อนอังก่อตายตายจากความรู้สึกตัวคนโกรธคือคนตายคนทุกข์คือคนตายคนหลบคนหลงคือคนตาย คนมีความรักความชังวิตตกังวลสมองคือคนตายแล้วแต่ถ้ามีสติจะไม่ตายชีวิตที่เป็นอมตะจะรู้สึกรู้สึกจึงพยายามเจ้าขยันลู้คนเป็นีนยให้มันใกล้ให้อยู่ใกล้ตัวเราใช้จำจังนีน้จำนานจำนี้จำนาน ใชอะไรก็ไม่เหมือนแต่ใช่คนรู้สึกตัวหนึใช่คนรู้สึกตัวหนึ่เป็นกวอเป็นกรรมสาเร็จเหมือนกับสารพัดนึกเหมือนกับกบที้ตายายขี้เป็นใส่ลงไปโอ้สึกตัวลงไปแต่ใช่ใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่เห็น คนเนี่ยเออเราไม่ได้ใส่จริงๆไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้รู้สึกแบบลึกซึ้งแต่จะเลื่แบบทอนถอดไม่ได้ปั ก, กลงไปจริงๆเราจะเลื่อลงไปหลงไปซะหลุดออกไปซะแล้วเราปักดำต้นข้าวในนาบางคนปักไม่เป็นเนะ่ะ ถอนขึ้นมาล้มล้มแล้วก็ไม่ค่อยปักแล้วปักต้นข้าวมันลอยน้ํามันถอนขึ้นมาพอปักไม่เปลี่นถ้ถอนขึ้นมาก็ปักลงไปอีกมันถอนอีกก็ปักลงไปอีกปักไปปักมาอาการปักต้นข้าวต้นไม่ที่เราปลูกมันมีศิลปะมั่นใจอะไ้ทํากับมือเรามันมั่นใจ อะไรรู้สึกตัวเรามั่นใจมั่นใจมั่นใจในฝีมือของตัวเราเพราะอะไรเพราะมันชำนาญการปฏิบัติทำในกรรม ก, มการอาญารที่จะรู้สึกตัวการรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ทุ้นเทไม่ใช่ดุดลืน มันก็นแบกบขามอะไรมันก็นัมบเบสายการเจริญส ต, นนติมันนัซับเบาน้ําซับนั่งซึมไม่เหมือนนัไหลหลักเป็นบบานั่งเบาส่ายค่อยไหลออกมาค่อยไหลอหลอกมาได้กินแม่แต่ไหลน้อยก็ได้กินไม่ขาด ลื่บ่อยๆมนกับนั่งบ่อใสยทำเหมือนนั่งบ่อใสยอย่าไปทาเหมือนกับโหลลงไปเราจะนั่งเท่านั่ช่วงเราจะเดินเท่านังชั่วงเาจะยนเจออะไรต่างๆเราจะยืนเป็นสงชั่วโมงก่นก่อนก็จุดทู คนก็จุกเทียนจุกเทียนแล้วนี่ไม่หมดจะไม่นอนเลยจังกงจุดทูบไว้ตักก็ไม่จุดทูบแล้วนี่ไม่หมดจะไม่หยุดจะไม่หยุดนั่งเรามานั่งตป๊จุดทูบไว้พอดทูบแล้วนี่หมดจนเกิลุกขึ้นอย่าก็ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ขอบเขตแบบนั้นการปฏิบัติท่านต้องไปเรื่อย เลื่อยไปเรื่ อ, อ, อยๆแอบไปขีดเส้นอะไรจนเป็นกรอบการปฏิบัติ่มันลู่ไ้่มีกรอบนะมันลู่เรื่อยๆไปอ่ะเรีย บ, บทใดก็ได้เล่ยโงก็ยังรู่ได้อมัดแรงงัดก็ยังไล่ยงุงเลื่ได้แต่ลุกแตดอนก็นด้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่บอกครับความงงงงงงน่ะ มาเถออะไรจะเกิดขึ้นโกูกเราโล้เราก็โูกเป็นหลักพอมันเกิดขึ้นเราก็ลกู้ใช้ได้ทันทนะีทำให้เหมือนหน้าบอดสายจึงอยู่เรื่อยเหมันจะเป็นสารผัต่ติมลงไปอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมันมันจะ เป็นต้องใส่ใจอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําอกระหมหะไรใครย่อยบางทีอาจจะเค็ดหลาบพอหันหน้าเพราะตั้งหน้าจะทําวามเพียนพอตั้งหน้าจะทําสติเมือเ่อมันยากอ่านนึ่งแบบนี้ลังกดสมาธิเอาขวาทับเท่าซ้ายมือขวทับมือซ้ายตั้งกาจให้ตรงมีสติดําลงสติให้มั พอจะทำาลวง่สูกว่ามันยากมันเป็นรูปแบบเกินไปทำไรถ้ามันเป็นรูปแบบให้มันของอาจจะไม่เป็นของกิง่งอาจจะเป็นของสมมติอาจจะเป็นของปลอมๆ ม, มันมานเหนือรูปแบบตามปฏิบัติธรรมอาจจะหายใจอาจจะเพิดตาชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ถ้าว่เาเวลาใดที่เราได้นั่งสัานจะว่าเอออะไรก็เป็น หรือว่าเป็นอัติเรศกันลาบอาใดที่เราได้เดินจงกลมก็เป็นอัติเรศกันลาบของเราแล้วก็ควรหาโอกาสอย่างนั่นบ้นางกตามงานไม่ได้กับอันอื่นอเอาไปเถอะอาจจะเก่งเวลาสติมันดีอยู่กับการยังมโยงสร้างจังหวะเวลาสติมันดีอยู่กับการเดินจงกลมนั่นอาจจะไม่เก่ง แต่เวลามีสติอยู่กับตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นไหลรดจิตใจที่มันคิดมันยินดีมันยินร้ายมันปรุงมันบูชอะไรต่างๆนั่นแหละมันจะดีกว่ามันสนามการเดินจังก็ไม่ใช่สนามการนั่งยกมือส่้างจังหวะไม่ใช่สนามลองสนามต้องรู้ตอนนั้นแหละเป็นธรรมบาตรลุกศกตัวลงไป จปะปาศัยกันรู้สึกตัวลงไปชีวิตจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นทำงานทําการกวัดตาทุาา้ารล่างถ้วยล่างชมามแต่งปันล่างหน้าอาบน้าําเดินไปกะติเดินออกก ะ, กะติจะ ก, กะติมาไปนอดไปนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวหลังชีวิตจริงถ้ามีสติในอริยบท ต, ต่างๆ อ้ามีสติในส่วนที่มันจะหลงเรามีสติในเวลาที่มันโกรธถ้ามีสติในเวลาที่มันทุกข์มันเล็มันเป็นสนามมันจะเป็นก็เป็นตรงนั้นจะเก่งก็เก่งตรงนั้นหลังจากนั้นเมือไหรเขาจะมีฝีมือก็ะตุ้เมื่อเขาชกขึ้นชกในชัยชนะเวลาวันนี้ของรู้สึกตัวคงงงหายไปอแต่ว่าชกแล้ว เวลาใดมันคิดขึ้นมารู้สึกตัวความคิดหายไปมีสติเข้าไปแทนนั่นอะไรว่าขึ้นวินทีใช่ได้เวลาใดมันโกรธต้องรู้สึกตัวความโกรธไม่มีความรู้สึกตัวเกิดไปแทน น, นว่ามันโกรธก็บันเทอลงออกไว่าอีกวินาทีสองวิ น, นทีก็ให้นั่นแหละชนะแล้วคิดตังเม เวลาใดการมาราคะปฏิฆะมันเกิดขึ้นลูกสิบตัวจะมันสาลงจะมันหมดไปนั่นแหละปฏิบัติแล้วฮะส่วนเวลาการเดินจง ก, กรมการมานั่งสร้างจาังหวะมันเป็นอดิเหลกกันลาบมันก็ดีอยู่การจะได้ชาร์จหลังกับชาร์จแบตเรี่หลังชาร์แล้วเต็มแล้วไปใช้ ถ้าไม่เพิ่มต่อมันก็หมดเป็นต้องเป็นอัตโนมัติบ้างมันกับใดชาติใช่ไปมันชาติไปเรื่อยมันชาติไปเรื่อยให้มันเป็นแบบนั้นมันชาติไปเรื่อยไปไหนก็โลดไปเรื่อยโลดไปเรื่อยนั่งนบนรถเมก็โลดไปเรื่ยมันชาติแล้วก็เขียน เห็นที่จะไปกรุงเทพตั้งแต่ตีหนึ่งไปโทรไปหารถตู้รถตู้ก็นอนยังไม่ตื่นไปเรียกชาวบ้านชาวบ้านก็นยังนอนไม่ตื่นพอที่จะตื่นเราก็ออกหมดแล้วลั่งกลับไปกลับมาอ้าวไปโทร อ, อีกเขาบอกว่าเขาไปรูดทางเเราไปเรียกคนขับรถขับรถลงไปหน้าผาไปโทรไปร้อนรับ เราโต้หน้าผานัดตีสองตีเกือบตีเกือบตีสี่จึงได้ออกไปถ้าเราไม่เข็นตาเน่ของเรามันเลเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข็นมากเข็นเข็นเพื่อนเข็นการเข็นงานให้มันทันเวลาให้มันอะไรที่มันเสร็จเป็นขี่นขี้นขี้นขี้นไปเราเสร็จไปแล้ว งานทิศหนึ่งก็เสร็จไปแล้วอางทก็ต้องถอต้องพายตัวเองอย่าให้มันข้างอย่าให้มีการบ้านอย่าให้มันงานยุ่งเหยิงอย่าให้มันข้างวังทีก็เออใจอยู่วานทีก่ก็เออทำไมเออทำไมไม่ต้องทำไมการปฏิบัติทํรรู้สึกต่มันเล่าไปแล้ว ลูกสึกตัวมันแล้วไปแล้วมันจบไปแล้วมันคิดขึ้นมาลูกสึกตัวมันจบไปแล้วเขาคิดถึงบ้านลูกสึกตัวมันจบไปแล้วคิดถึงลูกลูกสึกตัวมันจบไปแล้วคิดทั้งหลานลูกสึกตัวมันจบไปแล้วมันโกรธขึ้นมาลูกสึกตัวมันจบไปแล้วให้มันจบให้มันเสร็จมันเสร็จมันเสร็จมันเส็เสร็จทุกวันการงานเราเสร็จทุกวันเราทำกติ กติเราก็เสร็จทุกวันเราทำชาลาชาลาเราก็เสร็จทุกวันเราปลูกตนน้นไม้ตนน้นไม้เราปลูกก็เสร็จทุกวันเสร็จทุกวันไม่ใช่มันค้างไม่มีอะไรค้างในหัวใจไม่มีอะไรเป็นขยะเรียงทุกวันความรู้สึกตัวไปขนา ะ, เ, ะเห็นไมมันมีอะไรที่เราจะไม่เห็นหรอก สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยเห็นมันอยู่นี่แหละดูมันอยู่นี่แหละไม่มันจะมั่งเห็นเนี่ยเห็นดิเขาเฮ้ยมันเลยไปภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็ประสบการณ์มันเป็นบทเรียนมาเถอะอะไรจะเกิดขึ้นวางอย่างก็อนัอนเก่านั่นแหละของที่มันอนันเก่าหรอไม่มันหลอกเขา เพราว่าทธอมันหลอกก่อนเก่าแล้วเพราบุคคลที่เห็นสิ่งที่หลอกมันจะเกิดอะไรนะมันก็ปัญญายอดแล้วสิ่งที่มันจะหลอกเราแล้วปัญญาแล้วยอดเยี่ยมแล้วอันก็ปัญญามันเกิดอย่ตรงนั้นแหละหลอกเองหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกให้สุกหลอกให้ทุกข์หลอกให้เกิดทิเลตตันหาหลอกให้เกิดความโลภความหลง อันนีปัญญามันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ปัญญามันอจะสว่างสวัยเช่นศาสนาหรือธรรมะเมืม่อมีปัญหามันแก้ปัญหานั่นแหละศาสนาเมื่อมันทุกข์มันแก้ไม่ทุกข์นั่นแหละไม่ใช่จะได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาอันนี้ให้ใช้มันใช้ได้ ปัญหาเกิดขึ้มันแก่ปัญหาผมทุกเกิดขึ้นมันแจ่ทุกขล่ะคนมีศาสนาแ้่คนมีทุกข์ม่รู้จะทําให้ผมทุกข์หมดไปให้จะโลกก็มันยังแค่ไม่ได้ศาสนามีประโยชน์ตรงนั้นตรงที่มันเปลี่ยนไ่เร็มดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์กันเป็นไม่ทุกข์มันเปลี่ยนตรงนี้มันน้อย ไม่ใช่ว่ามันอมพวงมันยึบเหมือนเทอม่อนอะไรปล่อยธรรมดาทาลายชีวิตก็ธรรมดาเนยแต่มันจะเก่งตรงนั้นเหมือนคนที่มีฝีมือเรานั่งอยู่นี่ไม่รู้ว่าใครเก่งหรอกแต่ถ้าเอาฉดหมายต่างประเทศมาให้ระษาอังกฤษ อ๋อให้อานได้สบายอ๋อพอไปงานเกิดขึ้นให้ทำอ้าวพิมพ์หนังสืออ้าวพิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดอ้าวเป็นนายช่างคิดได้เป็นแม่ครตรงอาหารอ้าวําบ้านออกแบบงานมันก็มีฝีมือตรงนั้นตรงมีงานคนลงจะมีฝีมือก็ตรง เีมือในทางภษาศาสนาคือเวลาใดมีปัญหาเกิดขึ้นในตัวนอกตัวเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ไ, ดไม่มีการไม่มีเวลาใช้ได้ทุกโอกาสเนี่ยถ้าเราฝึกเราจึงพากันมาฝึกขัดมันก็มีเท่านี้แหละใ่กายใ่ใจใ้สติลงไป โลกายเป็นหลักเอากายนี่เป็นหลักให้สติไม่อยู่ในกายเป็นหลักส่วนใจนั่นมันก็โรยตองอยู่แล้วถ้ามีสติอยู่กับกายมันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วอะามันต้องไหนไม่ได้หรอกถ้ารมีความโล่งอยู่สึกตัวอยู่ที่กายนะมันก็ปกนจิตโดยตรงพราะมันเป็นโลกเป็นนาม กายมันเป็นรุ่นเป็นก้อนเมื่อเรามีสติอยู่กับกายเป็นปัจจุบันมันไม่ไปข้างหน้าแลนไม่ไปข้างหลังก็ถูกถูกกีบอ่ะกีบที่มันวิ่งไปข้างหน้ามันวิ่งขึ้นข้างหลังเราจึงพยายามที่จะสร้างปัจจุบันให้มันเป็นหลัก มันจะทํายังไงที่จะอยู่เป็นปัจจุบันได้ก็ อ, อาศัยรูปแบบ่อาศัยอริยบทอาศัยอริยบทของเดินจงกรนเข้าไปเข้าไปเป็นอริยบทเป็นปัจจุบันยกมีสร้างจังหวะเป็นอริยบทเป็นปัจจุบันอริยบทนี่มันลูปหลักมันอยู่กับหลักนี่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสิบนาที สามสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่มันเป็นหลักมันอยู่มันก็คุ้นมันเราอยู่วัดสุกโตมาใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นเดนิ น, ดนไต่สะพานเดินใหม่ๆอาจจะอโยกเยกพอเดินไปได้น ม, ม้มนก็คุ้นไม่ต้องจับราวเ ด, ดินลู่ลู่ไปไหนมานไหนไหน อนมันปัจจุบันตอนนีมันเกิดอะไรได้หลายอ่าแต่เราไม่เค้ค่อยได้สร้างปัจจุบันอันเกี่ยวกับสติกับกายกับใจเนี่ยไม่มีปัจจุบันเลยมีแต่ไปข้างหน้ามีแต่ไปข้างหลังตามใครต่อใครความรู้กับความลงอันนี้มันมากกว่ากัน ห้ายคนก็ตอบว่ความหลงมากกว่าความลู้ความรู้มันอยู่ที่ไหนรู้สึกที่มือลองดูที่กายคเคลื่อนไหวนี่เคยรู้ชั่วโมงหนึง่งรู้อยู่นี่ไหมบางคนไม่เคยรู้อยู่นนะสิบนาทีก็ไม่ค่อยรู้มันก็เลยพร่องตรงนี้กันมากมา ก, มากที่วเวทเจานะ้ำเราจะมาหาตรงนี้กันไม่ใช่ความรู้มาหา จะจบอะไรมาก็ไม่เกี่ยวตรงนี้นะตรงความรู้ที่มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวิชาความรู้อะไรไม่ใช่วิชาไม่ใช่วิชาการเป็นตัวสัมผัสเป็นตัวไปจุ่มไปปฏิบัติเอาภาษ า, าศาสนาคิดเขาเรียกว่าอย่าปักยาปักคือไปจุ่มอมไปจุ่มโมกับคน แต่ว่าญาป่าของเขามาได้จุ่มแบบนี้นะไปจุมม่มโมความทุกข์ไปจุมม่มโมความสุขเขาก็พาหลวงพ่อไปจุ่มความทุกข์เหมือนกันไปอยู่กับบ้านพวกสลัมไปดูวความจนของประเทศปิลิปินทำไมเราไปอยู่บ้านสลัมมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจนขนาดไหนออกจาก บ, บ้านสลัมเราเขาก็พาเราไปอยู่ บนหลังเขาที่อากาศดีๆในบ้า น, นีนอ่าเขาเรียกว่ารีสอร์ทให้เราไปพักมันก็ต่างกันกันกบสลัมเราไปอยู่สลัมเนี่ยไปเรื่องการะาแยกกันไปเรื่องการภาสีลูกใ้พระพู้เท่าพอประ ไปดูบ้านเขาให้พัอ่ะให้ผ้าผมขาดขาดเหม็นสาบปูเป็นที่นอนไว้นอนเข้าไปนี่ไปดยห้องน้ำกับป้องขาดขาดปากขาดขาดกองจะได้มาจากขยะกองขยะเอาใส่นําในห้องน้ามันก็ให้เต็มงานปากมันขาดเหลืออยู่บ้านครึ่งหนึ่น มีขันก็ขันขัดขาดเรามีสีลูกไปอยู่ในนู่นเราสีลูกเนี่ยต้องอาบน้ำที่นั่นต้องใช้ห้องน้ำที่นั่นแปลงปันตรงนั้นเอานี่แหละพอทะยบไหว ป, ปะป๋องขัดขัดม า, าพ่อครูทั้งศาสนานอนแขนมีะ อ, อ, อะไรไปเยอะนะ เาเไปเห็นเหรอโอ้ไม่อาบน้ำจริงนะวัน น, น, น, น, <c oughs> น, น, นี้จะไหนจอาน้ำจะไม่ต้องขอละเนี้หลวงพ่อไม่ขอเพื่อนผมวอมันรู้สึว่ามันเหนื่อมันออกก็ไปดูห้องน้ำน้่งน้่ก็มีมีแก้วกระต๋องสแตนเลสเท่าเอาบไปหูได้น้อยนะ เอางขนลงเราจะอาบน้าสักหน่กระป๋องรงรงมันจะไปไหนห้าห้าเก้วอาบน้ำห้าเก้วเราจะต้องทงางานอาบน้ำห้าเก้วถ้าจะบอกเพื่อนเพื่อนจะด่าไม่ชอบีไม่ช่ไม่ยอีจะได้เชเขาจะเ ข, าจ ะ, ขาจะด่าแล้วบอกไักขโมยอ่อเขาไปก็ออพระเพื่อนข้ามาพระเพื่อนนอน แล้วก็ย่องเขไปนั่งทําสมาธิอาบนา้าจงค่อยนั่งตัวบันจงเรียต า, นากน้ากระป๋องแรกใส่หัวลไปทั่วเลยกระป๋องเดียวสบูจ่จอดไปพร้อมลูกไปพร้อมมันนั่งไปทางไหน ถ, สถนนสูสบู่ไปทางนั้นพาสบู่พาหน้านไป ในร่างกายกรปท๋ที่เอถูสนดูถูจนน่าแน่งน่งน่าแน่ติดตัวถูไปจะได้กัะป๋องที่สองค่อยเทลงน้อยๆถูแชมพูออกไปเกือบจะเกือบจะเกือบจะเลินเกือบจะเกือบจะหมดสบูู่แล้วกระป๋องที่สามเนี่สบายแล้วกรป๋องที่สี่เนี่สบายเลย อาบน้ำเลยสบายสีก่กระป๋องชื้นใจเลยตัวเองอาบน้ำสีก่กระป๋องเลยมานอ น, น, อนก็นอนอย่างบรรจงอ่ามีผ้าอาบน้ําปูทับผ้าผ้าพรมขาดๆเน้นสาบเอา้าบาดเป็นหมอนนอนอย่างบรรจงกระดูกกระดีกไม่ได้มันจะไปถูกกับผ้าพรมที่มันสกปรกดันเอาวะเพราะที่เราเคยนอนแบบนะั้นตึงขึ้นมาเลยมันจะไป เถนี่คือถิดสิ่งที่เพืนะ่อนนะอ่าการดูก็ดีไม่ได้นอนมอนจงดีเถอเลยผ้าตัวเราต้องถกผ้านน่งืพื้นไ่ไหวเท่าไหล่เอาผ้าบาดหัวนอนตื่นเดียวตื่นได้ทีไม่ไปดูก็ดีเลยอ่าไ่ไปจุม่มนูวอมจนไปจุม่มหนูของยากลำบาก อาบหนังเขายังเท้บ า, าเขาเลยเอาเี้ยวก็อาบสีเขียวเลยอาบอะไรเนะจุ่มเ่าคนทุกข์เขาเรี ว, ว่ายาปัดอ่าแล้วไปเขาก็พาไปจุ่มมอญหน่อยรีสอร์ตติดชายทะเลม า, าสมุทรอินเดียนั่นฝั่งมาสมุทรอินเดียนะาาอนยนะโอ้ยอาหารเขามาไปกินข้าวอ้าไปจุ่มกับคนนี้ไปจุ่มกับคนจน แต่นั่นเป็นเรื่องของอันอื่นแต่ว่าเรามาจุ่มกับตัวนี้กับตัวเราอตัวรู้สึกตัวกับตัวหลงถ้าจุ่มกับตัวรู้ก่อนพอมีตัวหลงมันจะต่างกันกับตัวรู้พอมีตัวรู้เป็นหลักมันจะมันจะมันจะเกิดสิ่งที่เปรียบเทียบสิ่งที่บอกววาผิดความถูก ความรู้มันบอกความหลงมันบอกในประวัติธรรมชาติมันสอนเราความโกรธมันก็บอกแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเปรียบเทียบให้เราเห็นเหมือนกับเมื่อกับสว่างมันตาเรามันเมื่อปัญญาเราสว่างธรรมชาติมันสอนพอมันเมื่อก็หาแสงสว่างแบ่งกันหลวงพ่อไม่มีไฟฉายไม่ได้เอาไฟฉายไปพยากติ์ เราตื่นขึ้นมาจะมาทำบัดเช่าไปฉายไหมนี่ทำท่าเดินลงมาเดินลงจากกรตีมามาเดินบนทางมันไม่ไหวมันงงเงินนู่มั น, ม น, ม น, มน ท, ทําท่าจะลุ่มเออไม่ไปแล้วมันมืดผมมืดมันบอกมันบอกก็เลยทําไม่ได้เลยไม่มาทําบัดเพราะอะไรเพราะมันบอกขืนเดินไปอาจจะหนุบลุกคนขาคบขาดไป อาจจะพรตาไม่ดีาตาไม่ดีมันก็เกิดวิญีาณเีย็นนัน่นคื น, นควาเป็นหนุกมนนะมันก็เย็นไปเลยเดินกลางคืนคไม่เห็นเนี่ยเย็นหัวอาทัำท่าจะล่มเดินอะไรก็ตกสูงตกต่ําเสียหลักเอวก็ไม่ค่อยดีคอรจะล่มเสียเอยวนั่นคนเมันบอกมันบอกเราว่าควรหรือไม่ควร เราก็เลือกก็หรือเปล่าเลือกเอาสิ่งที่มันใช่ได้คนหยุดม่ใช่ไหมได้ความสว่างมันใช่ได้คนทุกข์มันใช่ไหมได้ว่าไม่ทุกข์มันใช่ได้ใครบอกมีใครบอกมันไม่มีใครบอกมันเห็นเราเองมันเลือกเองคนหลงมันใช่ได้ไหมไม่ได้คนไม่หลงใช่ได้แล้วก็มันบอกเอาเข้าไป